บทที่สองความรักและการอุทิศตนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่ออาตมาอายุราวๆ13ปีพ่อพาอาตมาออกไปข้างนอก และได้พูดอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอาตมาทีเดียวเราสองคนอยู่กันตามั่นพังบนรถคันเก่าโบโรทั้งของพ่อบนถนนสายหนึ่งในเขตชานเมืองจนๆของกรุงลอนดอนท่านหันมาทางอาตมาและพูดว่าลูกเอ้ยจงรู้ไว้นะว่าไม่วัดลูกจะทําอะไรในชีวิตของลูก ประตูบ้านของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอขณะนั้นอาตมายังเป็นเพียงวัยรุ่นเด็กๆอยู่อาตมาจึงไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรแต่อาตมารู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอาตมาจึงจดจำไว้อีกสามปีต่อมาพ่อของอาตมาก็ถึงแก่กรรมเมื่ออาตมามาบวชเป็นพระ อยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยอาตมาคิดทบทวนถึงคำพูดของพ่อจริงๆแล้วท่านไม่ได้พูดถึงบ้านหรอกเพราะบ้านของเราในสมัยนั้นก็เป็นแค่แฟลตเล็กๆของรัฐในเขตจนๆของเมืองลันดอนไม่ใช่อะไรนักหนาแต่สิ่งที่ท่านตั้งใจจะบอกให้อาตมารับรู้นั้นเปรียบเสมือนเพชรพลอยอันมีค่า ที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผืนผ้ามันเป็นการแสดงความรักที่แจ่มชัดมากที่สุดเท่าที่อาตมาเคยได้ยินได้ฟังมาลูกเ อ, อ๋ยจงรู้ไว้นะว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรในชีวิตของลูกประตูใจของพ่อ เปิดรับลูกเสมอพ่อของอาตมาได้มอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่อาตมาอย่างไม่มีบ่วงรอยรักอาตมาเป็นลูกชายของท่านเท่านั้นก็เพียงพอแล้วมันเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความรักแท้และท่านก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆมันต้องใช้ความกล้าหาญและสติปัญญา ที่จะกล้าเอ่อยเอื้อนคำพูดนี้กับใครสักคนที่จะเปิดประตูรับผู้อื่นเข้ามาอยู่ในใจของเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆบางทีเราอาจจะกลัวว่าผู้อื่นจะมาเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์จากเราแต่จากประสบการณ์ของอาตมามันไม่เป็นเช่นนั้นหรอก ถ้าเราได้รับความรักชนิดนั้นจากใครสักคนมันเปรียบเสมือนการได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเราจะรู้คุณค่ารักษามันไว้ด้วยใจของเราเองเพื่อที่จะไม่มีวันสูญเสียมันไปแม้ว่าในครั้งนั้นอาตมาเข้าใจคำพูดของพ่อได้เพียงแค่บางส่วนถึงกระนั้นอาตมาก็ยังไม่กล้าที่จะทำร้ายคนเช่นท่าน ถ้าโยมได้เอ่ยคำพูดนี้กับคนใกล้ชิดของโยมและโยมรู้สึกอย่างที่พูดจริงๆคำพูดเหล่านั้นออกมาจากใจของโยมคนคนนั้นจะก้าวสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงเพื่อให้สมกับความรักที่โยมมีให้เขา